ยังไงก็นั่นะหอะต้องได้รับผลบุญผลกุศลอผมนั้นขอให้พวกเราเมื่อลงทานอาหารเนี่ยจะเป็นตำหนิหลวงพ่อบุได้เนี่เพาหลวงพ่อเนี่ยมาวัดหลวงพ่ออินบวได้กินอาหารดีเท่าว่าบุได้แล้วพวกเข้าบวถวายอาหารดีก็บบได้เนี่ยลงลูกปูสิงท่องหนึ่งลูกปูสิงท่องลูกทิดลูกตามหาบัวพ่อขึ้นไปอยู่บ้านหอยทรายสมัยนั้นเลย บันนอกเนี่ยบันหัวใจบันลงปูจามเดี๋ยวนี้แหละพวกคุณร้านคงจะเห็นอันนวัว่าสมัยก่อนลงปูสิงท่องไปนหะไปบินทบันลงปูสิงท่องกับฉันจะขันพอฉันจะหันเอ้าเอ า, เอาหารมาเลี้ยงไปเครื่งกันกับเลี้ยงหยติโยมนี่แหละพ่อเลี้ยงเราพูดในหงว่ามีพักแลยผมมีแจ้วว่ะเนี่เห็ดยืดข้อหาแจ้วไปโรกเลขโลกเลขอยูลล่ลงปูสิงท่องก็กตามเลี้ยวหายังนะั่นเลี้ยวหาแจ้วครับลงพ่อสิว่า ตัวเองบู้ใดท่านวันจะได้กินยังไงอาจรพว่าตัวเองท่านแต่เขาเหนียวอาจารย์จะไปหาเลี้ยวหาแจวจะได้กินยังไงอาจารยอวัดมันสวรรค์ไกลๆได้อาจารย์พลว่าผู้ใดทำบุญอันใดได้ได้รับอันนั่นต่ออาจารยลว่าหลวงปู่สิงห์ทองเพิ่นบอกให้หลวงพ่อหลวงพ่อยังจำบนเรืมอยู่ทั้งหลวงพ่อเป็นเน่นน้อยวันนั้ไปเออแมนอิริตัวนี้ว่าวัดนี่คือสวรรค์ไกลๆวันนั้ไป ผู้ใดทำบุญอัไรใดก็ได้ได้อั น, นันต์ไปอย่างนั้นยังโกเลี้ยงไนงะโกเลี้ยงพ่อตายไปแล้วเป็นบ่อ่ะว่าใดทำบุญทำท่านเนียพ่อตายไปแล้วบานนี้ไปหอดบอง่งจิกขืนซาร่าซาราไอ้ซาราตัดสินน่ยซาร่าพันหองน่ะบานนี้เขาก็เลยปล่อยเพื่อนคนไปไปโกเลี้ยงไปคบค่าสมามาคบกมู่ไปถ้าได้ยินเสียงยอย่าค่อยขึ้นซาราพันหองเด้ออาจาเนี่เขาจุประกาดอกอาจารย์นี่ยค่อยๆไป กัวเลียงนี่ก็พ่อเขาปล่อยตัวเองเลยกันยางโตเตไเะไปแล้วมันไปโกเลี้ยงมันคนปากน้าโพได้ค้นนกค้นสวนรรค์เป็นลูกจิตหลงเจ้าขุนอุบาลีคุณโอปมาจาร์มันไปแต่ เ, เราภูมิเมีย่ยถ้าบุ๋นบัณเนี่ยู้กัวเนี่ยได้ใสจใจนะเขาไนไอเมื่อแต่เลี้ยงหมูกับไอ้รับการก่อสัง่งรับเหมาก่อสัง่งเพราะมันเป็นคนจีนมาจากประเทศจีนเลยว่าอะไกันพ่อเขาปล่อยผมเนี่ยตายแบบกระท่านหันนะ เมื่อนั้นพ่อไปทํางานมากเลยเมื่อยพ่อเมื่อยคือมากไปอาบน้ำพ่อไปอาบน้ำมาเลยซอกข้าหองน้ามาเลยผู้เมียเห็นเล้ตายเลยส ง, งับโยนมาเลยเอินมาเทศบานมากกนเออเิญมากก็จับโกเลียงมานอนโกเลี้ยงกับพ่อออกยังกับไปแล้วยันพนว่ามีทหารสองคนมาจับขี่ตะแล่สองข้างพ่อจับไปแล้วก็เห็นไอ้หมอเนะ่ยหมอเช่าบ้านนะ่ย เอคือพวกไหนเป็นเจ็บไข้ป่วยนะไรเกิเขาก็ไปบอกหมอชาวบ้านเลยมนันไปสมัยนั้นมันมีพวกหมอประจําหมู่บ้าน เ, เขาก็ไปบอกนเย่ยบอกว่ า, าโกเลี้ยงเป็นลมมาสัน่นไปได้หมอหมอาสัน่นหมออะไรก็ได้ทงยาอะไรก็ทั้งแรงทั้งยางทั้งแรนทั้งยางหมดไปเออบาด้าโกเลี้ยงเนี่ยก็ยางผ่านหมอน่นเราไปมันทหารจับขีดตะแล่ทั้งสองขางนี่ จับวิญญาณผมมันจับกูเลี้ยงกเลี้ยงเลยเป็นลมอยู่คนออกไปว่าไอ้จับทั้งสองกงางยางยงไปไอ้กูเลี้ยงบอกว่าซอยผมเนี้ซอยผมแล้วสั่ส น, นทหารจับผมมาสั่นไอ้หมอหมอคนนั้นยางเซยนออไปบ่ด้ยินผีเด้ว่านออกไปมันผีไปบอกขุนข้อนจะได้ยงยันยังไงไปหมนอ่ะภาษาผีเนี่ยซอยผมเนี้ซอยผมแล้วสั่นทหารจับผมมาสั่นแต่ว่ากเลี้ยงเนี่เห็นคนไปเห็นหมอยานะหมอยาอย้าชา บ, บ้านนะ มอญเ่าไ่ได้สนใจเลยแลนไปไปหาไหอ้몽เขาว่าโกเลี้ยงเป็นล่มคนน่ะบ้านนี่เขาก็จับไปวนะนพ่อจับจับจับไปเลทั้ทงลงห่วยล่องคลองไปเลยนะไปทหารหนุ่มจับแขนทั้งสองขากพ่อไปหอดสนามย า, านะไปไปหาพบมูพบเพื่อนท่านเนี่ยมีอย่างเดียวค่อยๆฟังนะเขาจีประการด็อกกันเนี่ยโกเลี้ยงนี่ก็ไปแหละไปมันหิวเขาหิวน้ํเนานะเนาะไปไปเห็นเห็นท่า ย, ยกวัด ทายกวัดก็ไอ้หูจักตัวห น, น, นึ่งไปวันไหนก็เลยแต่ว่าตัวเองว่นไหนทั้งบุ้นก็นึ่งไปไปไปเห็นเขานั่งหล่อมโต๊ะอยู่ไปกันแลยไปคุยกับโอ้กูเลี้ยงก็มาตัวเนี่ยจะไงเออมาครับพากามาฮอตไปจหไงกูเลี้ยงกัมหูจักแล้วโอ้ตายท่ายกคนหนึ่งเฮ้าหาก็ไปเผาศพเขามาันชีหามือ น, นี่เองว่าจะนงนี่นเออมื่อไปเผาศพสีห้าวันนี่เองว่าจะไะ เออมันเท่าหนีตายเลยตัวบาดเหนี้วจะเนียังมาเห็นเขาเนี่ยสันคือมานจะของตายหลายบาดเอ้ยมาเนี่ก็เลยเขาไปเห็นเขานั่งอ้อมผ้าเขาอยู่หัวในโต๊ะนี่ยไปอาหารการบริโภคเ ต, ต็มโต๊ะอยู่หัวเนี่นไปมีน้ำไ ม, ม่ยังพอโกเลียงนี่ก็บอกอว่าโอ้วะวะหิวเหลือเกินมันวะขอทานอาหารด้วยด้วยเทอหน่อจะเนี่ยโกเลียงบ่า ทางพวกนั้นเขาก็ตอบว่าถ้ายกนั้นเขาบอโอ้อันนี้มันมันว่าเป็นเมืองมนุษย์ได้กูเหลียงวะแ่นอันนี้เป็นเมืองผีวะ่เ้เออเป็นเมืองอีกพบหนึ่งอีกขั้นโบราณบ๊วยถ้ำบุญไวในอดีตจะไปเป็นขลภาวะเนี่ยมันบไรเด้ยอไรเนยไรเ้ยเออก็บ่ว่ากันวะแต่เ้ยกันจะกินก็กินได้เนี่อกินแมว่เนี้ยกินนดวะเนี้ยบบหวบหามได้วะแต่เี้พ่อมเจะให้กินแต่มันกินวัไรด้แต่เน้ของไผ่ของมันเนึง เออปลโลกแล้วอ่า น, นีทางกูเลี้ยงโอ้ยตึงไงก็อ้วกขอกิ่งหน่อยเธออ้วกหิวละเกิกนมาาจารน่ยบาเนี่นนก็ไปจับน้ำก่อ น, นาไวจะกินน้ำซะก่นอนนะพอจับนะโอ้ยพ่อจับพอปันจับขีดทานไฟ้กันเอไปจับทานไสงแดงๆนะโอ้ยว่าฟางเมือเ่อแล้วนาไปบานเนี่ก็ไปเห็นไปเห็นถวยอกบานเนี่ยโอ้ยขอกิงอถั่เอล้ว เ, เ, เล่เานเขาพ่อไปจับถัวยอกถั่วยอ้้อนใหม่เมื่อเอกบาเนี่ย เออโกเลี oh, ้ยงนี่ก็ได awesome. ้โอ oh, uh, ้กินบมไนอะไรเนี่ยเขาพอหนัเขาก็เลยว่านั่นเนี่ยของเจ้าไปเบิร์นัู่นั่นนะอันนั้นเป็นเป็นของเจ้าะโกเลี้ยงก็เลยไปอะไรเนี่ยพ่อไปไปเห็นแต่กระดาษเงื้อกระดาษท่องอายะโยะอะไรเน่ยโอ้อันนี้ก็กลิ่นโมไนแล้วอะไรเนี่อโกเลียงว่าเออโกเลี้ยงก็เลยกลับมาอพอที่กลับมาหอดเขาก็เอือมว่านายโกเลี้ยงขึ้นมา อ, อได้เวลาแล้วกูเลียงกับเขาก็ทหารสองคนปับ๊บเข้ามาเกาะแขนเลยเด็กเกาะแขนขืนไปหาพญา ย, ม พ, ย, ายมพญายมพบานเพ้นโอ้ไปไปหายมพบานมันมันเป็นธรรมดามันเป็นพิพากษาธรรมดาเออนั่งขํา ม, ม้ามายุกบานเลยเออหนวดเฟื่อยต่างหากก็าจะไปจนเหลียวเบื้องหน้าอะไรวะเ้าไปพอไปหอดพ่อไปห อ, อดหอต้องก้มหน้าเลยวะาไปเออย่านย่านพญายมเราไป บาถ้าแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอฮะมานันเนี่ถามมันถามเออไปงโกเลี้ยงมาสันเนไปจากไหนว่าจากไหนเนี่ยมาสันเเพิ่ก็เปิดแฟมแล้ววไปเปิดแฟมปบปบปบปปเอะชื่อว่าง่ายมานเนีนายโเลี้ยงก็บอกว่าผมซื้อจังซีครับพญยมพบานบอกว่าฮะมาันเเอาคนผิดแล้วเนี่ยเอะถามตัเอีกถามอีกฮะไม่ได้เนี่ยเราคนผิดสน เอาไปส่งเดียวนี้วะสันพญายมวาวน่ยไปพวกทหารหนูพ่อพายมสั่งท่านบว่าเอาคนม้าพิดแล้วว่าันเี้จุ๊บปั๊บก็กอดขี่แต่แลได้สองคางก็ผ้าไปเลยแล้วบาทเนี่ยผ้ากับมหาล่างของกตัวเหลียงวันนั้นไปโกเหลียงวันไปตุปปักตุเปย์ตลักทุเล่แบบทั้งแรงทั้งยางวันไปเอาไว้ๆพ่อม่เห็นนบาทเนี่ยโกเหลียงว่ามันเป็นทะเลทรายวันน เออมันกะกลางทงหน้าเนี่แหละเป็นทะเลทรายบ้านในเห็นโค้งควายกันไปควายตัวนึงมันตายอยู่ในทะเลทรายนะเออมันไปติดกระดูกสีกักซากกันออกไปมันมีหนังบัานเนี่ยหนังทั้งไต่มันมันมีอยู่แล้วน้ำมันมันน้ำ ม, มันขังอยู่ในหนังนะหนังควายข้างใต้นะโกเลียงเห็นโอ้ยผมหิวน้ํำลายลสันยังไงก็ให้ผมขอกินน้ําก้อนเธอเนี่ยไปใส่ขวดไปสันโกเลียงว่ะฮะกินน้าแล้วสันทหารสองคนที่ เกาะขีตาแล้มันก็เลยพักอ๋อตู้เหลียงเลยวันออกไปตู้เหลียงก็มุดลงไปในใ น, น, ไป น, นในโค้งควายเอาเนะไปเอ่ยงโค่นในโค้งควายเม็ดติ่งๆบาดเนี่ยกูอยู่ใสเนี่ยจาเน่ยบาดท้าแล้วพ่อนี่ยก็หายไปเลยวันอกไปโกเลียนนี่ก็เม็ดอยรถยนตนบาดท้าแล้วมันบอกเปนโค้งควายนยมันเขาโค้งกระดูกจุกของเใ็่ได้บาดเนี่อโกเลียงตายแตงแต่ต่อนายหมื่ว่านเนย ตอนแงมือเศร้านี่ยพระกรสันจังหันมาเลี้ยงพระแงมือเศร้าพอเลี้ยงพระเซตเรียบรลอยพระกันให้สินให้พ่อหน้าพระกรกลับวัดพ่อจะกรับวัดนน่ะแหละพวกญาติพี่น้องกำลังสะเลี้ยงกันวไปพ่อสิเลี้ยงกันเนี่ยตอนใบเนี่ยเขาบอกโอ๊ะกูเลี้ยงมันยังอ่อนอยู่ท่านสมัยนันเขาก็บ่มียายาโฟมารินนี่เมนบละเขาก็บริสิทธยาเขาก็เห็นกูเลี้ยงยังอ่อนอยู่เขาก็เลยเอาผ่าขาวห้องเลยก็มัดตาสังนะมัดแข้ง แล้วก็มัดแขนนบเมื่อใส่ดอกไม่พ่อมันออกไปอบ้านอะไรเขาก็เอาผ่าเขาก็บวปิดบมนีลยเขาไปตีฟ้าโล่งเขาเม็ดเอาผ่าข่าปิดก่นแล้วผ่าเขาวห้องก็ปิดปิดโล่งไว้บ้านอะไรก็กเลี้ยงฟื้นขึ้นมาจะแล้วบ้านเนี่ยพ่อฟื้นขึ้นมากเกิดเหตุยังไดบ้านอายุทั้งนั้นห้องห้องอะไรมันมันบม่มีเสียงเราหน่นอปเห็นแต่เอาศอกแล้วกระทุ่งขางโล่งกว่าหน่อยกระทุ่มตกๆกตกกว่าหน่อ ไอ้พวกขี่เราทั้งหลายแลยครับร่างที่กินเขาไหวเฮี้ยนไปนี่ติดตัวเลี้ยงก็ใส่ต่างคนต่างโดดจนทัวบ้านในย่านผีหลอกกังเวทวนไปเออโดดออกไผโดดออกมันวนูไปเอตัวเลี้ยงนี่ก็ยใจจังว่าความกําลังใดหลายๆก็เคาะเอีกตึกๆวนกไปบาดอะไรไหวเป็นเป็นอย่างว่าแต่นี่ยบาดในมีโยมคนวัดคนว่าผู้เคยมาวัดไหว บ้แมนโกเลียงมันฝืดขึ้นมากบ้าท่านเนี่ไปเบื้องก่อนเข้าที่ไปหายาดเนี่ยไปเข้าทิ่ภาเขาท่านบาดท่าแล้วกับผู้เทานี่ยเป็นท่ายกวัดกันไปเป็นผูกแข็งใจพ้ามืแต่เ่าก็ย่านขึ้นกันนะไอ้พวกนี่ก็บย่านย่านมูแลนนี้ขึ้นกันวันไปเอาไปว่าเข้าก็าเห็นบ่อยสมัยเด็กน่อยเล่นงู ก, กินหางนะเฮ็ดจังสันน่นเอาไปจองเอวกันเหี้ยบเพื่อนเอาไปงู ก, กินหางนะพวกในหัวนากระซองซองซองเอาไป ไปเปิดเข้าไปเนียังโกเลี้ยงน่ยอาปากพางาบขะงาบไปเออมันจะค่อนก็ห้องอ่ไรของอาปากพางาบโอ้โกเลี้ยงฟื้นแล้วก็เลยจับโยกเขินมาพอโยกเขินมาเลยหามีดมาตัดตาสังนะ่ยมัดแข้งมัดแขนเนะี่ยเป็นยันผีแลงได้สมัยก่อนเป็นวลัเออมาัดตาสังไปมาเลยก็มัดตัดเชือกพ่อมัดตัดเชือกเลยจับนั่งคือมานังมาเนี่ พ่อนั่งขึ้นมาได้ก็ไปเอาหน้าเ ม, มาส์เต็มนำอุดมา ก, พ, กมพราะอุนใส่สำลีเอาไปหยอดคอปากแหมหยอดเคาปากโกเลี้ยงบอกว่าพ่อน้ำหอดข้อท่านันะ่ะเออพ่อน้ำหอดค้อรู้สึกมีแห้งเหี่ยวมืดน้ำตาเมาเลยวันนะั้นไปปาดเออโกเลียงมืดน้ำอะเป็นไงว่านนี้ยังปากโปอ่ะเนี่ยโปนี่ไปต้มเขาอีกต้มเขามากกับกอกเขาปากอีกเมื่อเขาไปเกือบถวยเันนั้นไป พราะภูเทามันมันบัท่านมีอย่างน้มันยังแข็งแรงอยู่เนี้มันมีแต่พยายมกไปจะซื้อคนออกไปพอในชุวก็เลยเบาได้ปอนพ่อพ่อพอพ่อพนอพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่ัน่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพีอพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ้าพหอพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพอพ่อพ่อพ่อพ่อพพกอพ่อพ่อพ่อพ่่อพ่อพอ่อ ไปไปไปมั่นบารม์อีกมือสองมือเน่ามือมืออื้อนเน่าฉันเลยสีวาให้ฟังบารเนี่ยมือหอดมือหนัดมากับพวกชาวบ้านพ่นกันล่มมาแล้วนะไปโกเลี้ยงบอกว่าโอ้ยฉันมื่อเป็นล่มไปขนาดทหารมาเกาะว่มากกอดแขนสองแขนผ้าไปเรื่อยวะฉันเพ่อไปแล้วก็เฮ็ดยังไงฉันไปหอดสนนน้ำยาอย่างที่ว่านั่นนะอ่พ่อไปหอดสันน้ำยาแลยกั ว่าเขาเอื่นซื้อผิดว่าสิเน่เออเอื่นซื้อผิดเขาก็ได้นั่มาส่งมาสิมาส่งเขาก็หมดหัดหัวก็โค้งกระดูกควายแล้วสิเน่เออจะมันโค้งกระดูกควายคือโค้งกระดูกเจ้าของในแมนบ่วโ อ, อวิน ญ, ญาณเขาล่างมานันออกไปเออจากนั้ฟื้นขึ้นมาแล้วเน่โอ้บาปุูนคุ้นโทษนี่มีอีหลีงแล้วสิเน่นรกสวรรค์ น, นี่เห็นคักแล้วสิเน่เออขั้นโปรยโไรยทำบุญอย่างไงเนี่ยยาได้สิเน่ปะโลกไพ่ภาคนาเนี่ย รักกันก็รักบู้ใโกงกันก็โกงบู้ส้นขอกันกินเขาผู้ใดผู้ใดทําบุญอะไรใดผู้นั้นจะได้รับบุญอนันต์ผมผู้ใดทําบุญไหวไปขอกินเขาเขเขาเขาก็ให้กินยุ่งเสนเนี่ยหู้จักกันดูแต่ไปจับมันมันเมนของเจ้าของมันห่อนพปันไฟส้นพราะปันจับทานไฟเนโกเลียงบ่าเพราะนั้นให้ทําบุญทําท่านผู้ใดผู้น้ตายแล้วบ๊บศูนย์สนบาท่าะโกเลียงกันได้ โอ้นายพันศานี่ยอ้วจะบวกกับเราสันนัยโอ้จะขอบวกเจ้ากรองสันนัยบาเลยแตะแก่เลี้ยงหมูเด้เลี้ยงหมูไวข้ขายเอาไปเป็นไอผู้รับเหมาพรมเจ็กขยันเด้ไอคนจีนขยันสมัยนั้นมาจากเมืองจีนเลี้ยงหมูพรอมรับเหมาก่อสร้างพรมหนระเป็นตาแกวน่นเอาไปมากโอ้ถ้าเจ้าเอาหมูให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปขายอีกมาสัานนัยบาท่าแล้วก็งี้ยมันคลืนมาดกดึกๆกมากได้กัน ปอยหมูเด็กก็ไล่แล้วท่าแล้วถ้ามึงจะไปเด็หมูได้อท่านเนี่ยกูไม่ได้มอบไผ่ได้เหรอท่านเอาชีวิตไผ่ชีวิตมันได้วหรอท่านกูเลี้ยงมึงแล้วตั้งตัวตั้งไปได้เหรอท่นกูเลี้ยงก็เลยปลอยหมูลงไปเออแล้วจะมึงจะไปแล้วหมูวันน่งลไปถือคาถือแกงกับกำของหมูแล้ววันไปเพรามันกับของกูเลี้ยงวันหนึ่งไปกูเลี้ยงบม่ได้ขายได้บาดเนี้ว่านเนี่ยกูเลี้ยงยันบ่าพอนไปเออนี่แหละบาดละไรกูเลี้ยงก็เลยบวดเออก็เลยได้บวดอันนี้ก็คือ มีเขาเขียนมาไว้กันออไปคือลูกจิตจ้าคุณอุบาลีคุณโอปามาจาร์เจ้าคุณอุบาลีแต่คือเป็นหมูของหลวงปู่หมันเท่านั่นแหละอแต่เพิ่นเรตเป็น เ, เนจ้าคุณกันไปนี่แหละอันนี้เว่าให้าาคณะชาตท่ายาิโย่วว่างเนอะที่หลวงพอบอกว่าถ้าบุญในยังไหวได้กินอันนั้นได้รับผลอันแบบนั้นเนี่นะมันมีเป็นมาจังซี่ได้อันนี้ผู้ใดทํากรรมดีไปกรรมดีก็จะให้ผลไัคนใดทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลนะ แต่นี่ยังดีดเลยอ่ยังดีดเลยโกเลียงเนี่ยย้ำว่าท่านเลยตัดสินมันออกไปขั้นโดนโดนตัดสินเนาอาไวจะกจ็ไปใสก่กรบเป๋าหูเราเนี่ไปจิชช่เป็นไปไล่ใดมันออกไปการเป็นปยายมตัดสินอันนี้ยังว่าท่านตัดสินเอาคนมาผิดมันออไปทรงกลับขึ้นก่อนเพท่านถึงข้าวนออไปนี่แหละถ้ามันตัดสินอีกแบบเผานึงหมาเผาหนึ่งเขาตัดสินเนี่ อ, อพอไปหอดนะกัขึ้นไปหาพยาย่อมไปหาพยาย่อมยังดีเราเนีน่ย พอไปหอดพยายมบรมบาทนี่พนไปเคียดทพยายมอีกได้บาทนี่เออพอเห็นพยายมขึ้นว่าท่านพยายมพนว่ะเอาผมมาได้จังไหนเอามา้าแบบบอกบอกปากาวเลยนี่เอามาแบบนี่แปลว่าเออบอขรรพบิดจึงกันและกันเลยตามไม่จริงไปบอกผมน่าจะน่าจะเมื่อไปเอาผมมาเน่ยผมก็ต้องบอกผมล่วงหน้าไปก่อนที่พอไปพิได้กล่อมของผมล่ะผมไม่ได้สั่งเสียอย่างเลยกระปลูกกับปลัน เอามาแบบนี่จะเอามาแบบไรแปลว่าบวให้ความบวชให้สิทธิ์ผมเลยตามไม่จริงนาจะบอกผมก่อนนะเออสิไปเลยนะเจ้มาเอาเลยนะอต้องบอกผมอันนี้ท่านมาเอาแบบจะบอกบอกล่าวผมเลยเอาแบบนี้ผมว่าบเป็นธรรมนะท่านพยายมนะพญายมมีอำนาจเต็มเในมันบอกเปิดกระตบตัวเปี้ยงอย่าพูดอย่างนี้นะอาจารยอันนี้คือปรโลกนะอาจา่ยต้องพูดอะไต้องระวังอันนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไง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 แปลว่าพระยมยมเนีเตือนตลอดวันออกไปแต่เฮ้าเนี่ดันทุรังวันไปบาดเนี่อขั้นพลอยผมงอกเอาสีมาย้อมใช่มันดำขึ้นวันกไปขั้นฟันลวดผลไปหาไปหาหมอฟันไปเห็ดฟันใส้หม้วันออกไป บ, าาบ่ายเนี่ยผลบ่าเขาบอเตือนเจ้าของวันออกไปพระยมยมวันเตือนเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะอาจารย์หนังเหี่ยวหนังยน่นร้วนแล้วแต่เตือนทั้งบัดอันนี้คือความแก่นะเกิดว่าล้วคุณต้องแก่นะแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตาย ทำไม่เจอวับวบัวเตือนเ อ, าเ อ, าอ้าเออตือราด้ปรเด็เตือนแล้วไม่ฟังไปทหารเอาไปลงเออตามกรรมของตะแกเนี่ยตาลุงเนี่ยได้ทำเอาไว้ไปจัดการตามหน้าที่ประเด็นทหารก็ขี่ตะแระได้กับพ้าไปแล้วห น, นไไ่ไปใช่ไไปน่ารกหลุมใดก็บหัเราหน่อไปเผาก็โบอบอกกาวอีกมาหารเล็กน้อยบักนึ้งบหันี์อายุยี่สิบกว่าปีก้อซออยู่ไยุ่ในหลังเทาน่น ฟังพญายมบอกมัดคู่คู่ขวามอดอย่างนี้มัดคู่ขวามที่พยายมบอกกับผู้เฒ่า น, นั่นไปบอกกับคุณลุงแต่ในพญ่หมอนี่ก็บอกว่าท่านท่านครับท่านพยายมครับที่ท่านเตือนคนแก่เนี่ใช่ครับท่านมีจดหมายไปบอกแต่ผมเนียังไม่มีครับจดหมายจะมาบอกผมอย่างนั้นเพราะผมอายุเพียงยี่กว่าปีครับก็เอาผมมาแล้วอาารย์เนี่ย ไม่ได้บอกผมเลยเนมภาษเสนือพญ ย, ยมบ่าการเตือนไม่ใช่เตือนอย่างเดียวนะมีวิธีการเตือนหลายอย่างเพื่อนของแกอายุท่าไห่ที่ตายวันนะ้ชื่อใดนั้นนะเป็นเพื่อนกันครับอายุเพียงยี่สิบเอ็ดปีครับเอา้าทำไมเขาตายเขาเป็นไตาวายครับนั่นแหละทำไมเธอไม่คิดว่าขนาดเพื่อนอายุรุนราวคราวเดียวกันก็นยังตายทำไมไม่คิดถึงความตายของตนเองบ้าง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 เดี๋ยวฉันยังหารแล้วหลวงพ่อจะมีหน้าแจกนะแจกหนังสือเอ็มพสามแล้วหลวงพ่อยจะบอกยังให้ฟังอันนี้เพียงสตาร์ันนี้นะอ <c oughs> <c oughs> สตาร์ตเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พ่อเรียบร้อยแล้วนะให้พวกเข้าลงไปท่านอาหารท่านอาหารเสร็จแล้วจงคอยขึ้นมากหลวงพ่อยจะบอกยังให้ฟังอีกทีหนึงแลังจากนั้นจะแจกหนังสือเอ็มพสามเพื่อเป็นที่ระลึกนะเอาแล้วพ่อนะ